ขึ้นปัญหาใหม่ปัญหาที่แปดทุตศีลปัญหาปัญหาของนักบวชทูศีลกับคารวะทู่ศีลหมายคือว่าเป็นพระทูศีลกับเป็นคารวะทู่ศีลใครมันเร็วกว่ากันนะเอางี้เนี่นยถ้าให้เราตอบนี่เราจะว่าไงถ้าพวกเราพูดนะบอกพระเนี่ยเร็วสุดๆแลว้วแบบนั้นถ้าพระเร็วกับคารวะเร็วพระต้องเร็วกว่ามั้นแต่พระเจ้ามีลินพร ะ, พระนาเกษนตอบตอบคนละอย่างกับหลายๆคนในยุคนี้เขาคิดกันนะนะ ที่นักเขียนเขียนออกมาด่าพระชั่วทั้งหลายแลยเนี่ยก็เขาก็เปรียบเขาบอกว่าถือว่าคนเป็นคาระวะเลวๆยงังจะไปบวชอยู่ในผ้าเหลืองและทำเลวเนี่ยเขาก็มีความคิดมีทิฐิเหล่านี้ออกมามากซึ่งพระนาคเษนตอบคนละอย่างอันในทุศีลปัญหาพระเจ้าเมลินถามว่าพระกุณเจ้านาคเกษนอะไรเป็นความแปลกกันอะไรเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างเครือขัดทูตศีล กับสมณะทูศีลหมายค่าว่าแม็กเป็นฆราวาสก็ชั่วเหลือเกินบวชก็ยังช่วยอยู่ดีเนี่ยนะงเ้ยพระเทวทัตเนี่ยถ้าท่านไม่บวชจะไม่ใช่ว่าท่านจะทําดีอะไรนะที่ท่านจะได้เป็นพระปรปเจกับผู้ต่อเจ้าเพราะบวชถึงจะเลวสุดๆในที่สุดก็ได้รัสโรนะมันก็เลยคําถามว่าเอาบุคคลสองคนเนี่ยมีคติเสมอกันหรือหมายาว่าที่ไปในเบื้องหน้าระหว่างเครือขันทูศีลกับสมณะทูศีลต่างกันยังไง อันหนึง่งทานที่บุคคลให้แก่บุคคลทั้งสองประเภทให้แก่เครือข่าทุศีลกับให้แก่นักบวชทุศีนเนี่ยมันมีวิบากเสมอกันไหมหรือว่าอะไรเป็นข้อแตกต่างกันหรือว่ามันต่างกันยังไงหมายว่าครหัข่าทุศีลกับคารวะ ท, ทุศีนคารวะ ท, ทุศีลกับนักบวชทุศีลชาติหน้านต่างกันยังไงอันนี้อย่างที่1อย่างที่สองถ้าเราทําบุญกับเลี้ยงโจรกับเลี้ยงพิกษุทุศีลเนี่ย มันให้ผลต่างกันยังไงเนี่ยนะพระเจ้ามิลินเนี่ยท่านก็ว่างเยอะอยงนะท่านก็มีปัญหาอะไรแปลกๆออกมาคิดนะนะพระนากะเกษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาปีติสมณะทูศีลก็ยังมีคุณธรรมยิ่งกว่าคุณธรรมของค ร, รองคือหัสผู้ทูศีลโดยพิเศษอยู่สิบประการเนยคือหมายความว่าชั่วด้วยกันทั้งครืหัดชั่วกับภิกษุชั่วเนี่ยนะท่านก็บอกว่า ภิกษุชั่วเนี่ยนะมีคุณธรรมยิ่งกว่าเครือข่าชั่ว10ประการนะดีกว่าว่างั้นและยังชำระทักษิณาทานให้หมดจดยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเหตุ10ประการคือคือคำถามว่าคำถามแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นคำถามประเด็นว่ายกเอาบุคคลยกเอาบุคคลว่าสองคนเนี่ยนะเป็นเครือข่าชั่วกับเป็นนักบวชชั่วสองคนเนี่ยใครเลวกว่ากัน แต่ถ้าตั้งคําถามว่าภิกษูชั่วกับครุขัดชั่วใครทํำลายาศาสนามากกว่ากันอันนี้มันก็จะคนละประเด็นแล้วใช่ไหมมันจะคนละประเด็นแต่นี้ประเด็นของพระธนาเกษตถามเนี่ยพระเจ้ามิลินถามมันเป็นประเด็นว่าความชั่วระหว่างคนสองคนไม่ไดย้ยกเรื่องาศาสนายกาแก่กันเรียกว่าเป็นนําประชุมชนอะไรแบบเนี้ยกคนละประเด็นกัน สรวสั ม, มณทุศีลเนี่ยนะนักบวชชั่วชนักบวชไม่มีศีลเนี่ยตราชิกไปแล้วเป็นต้นเนี่ยมีคุณธรรมยิ่งกว่าคุณธรรมของเครหอขัดผู้ทุศีลเนี่ยโดยพิเศษอยู่สิประการอะไรบ้างขอถวายพระพรส ม, มณทุศีนในพระาศาสนานี้หนึ่งยังเป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้าคือภิกษุทุศีลเนี่ยนะถ้าว่าไปจริงๆอ่ะเขายังกราบไหว้พระพุทธรูปเป็นต้นใช่ไหม แต่ครอหอข่าทุสินเนี่ยเข้าวัดไหมไม่ยากว่างั้นเถอะเปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าครหัส่าทุสินเนี่ยนะถ้าเลวพอๆกันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็พระพิสุทธ์ที่อยู่ในวัดก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าอยู่บ้างดีไม่ดีเนี่ยนะคนที่ทําผิดแรงๆจริงๆอ่ะเขามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามากนะกลับบางบางคนเนี่ยตัวเองเนี่ยชั่วแต่ว่าทัศนคติก็ไม่ได้ชั่วอะไรเนี่ยแต่ถึงก็จะผิดแต่ว่าก็ยังเคารพพระพุทธเจ้าอยู่ อย่าเช่นอย่างน้อยก็สวดมนต์ทำวัดเป็นต้น น, นะนะย่างสวดมนต์ทำวัดอย่างอารหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิซึ่งต่างจากครหัดทุศีลกินเหล้าเมายาร้องเพลงเฮโลไว้เรื่อยใช่ไหมแต่พนักบวชทุศีลก็อย่างน้อยก็สวดมนต์แล้วกันงนั้นฮะต่อไปก็ยังมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมยังมีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์แล้วก็ยังมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนสัพพมจารีเพราะอะไรเพราะว่าคนชั่วเนี่ยนะ ถ้าชั่วจริงๆเลยโดยส่วนตัวชั่วเนี่ยพวกนี้จะจะรักเพื่อนรักสมณะด้วยกันมากเหตุผลกลัวเขารีถายออกเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องหาพันธมิตรไว้เยอะมากเนะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยพวกนี้มีพันธมิตรพระดีๆเนี่ยอยู่ในอะไรนะเป็นพักพวกพอสมควรเลยแหละเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพันธมิตรเดี๋ยวเขาจะอะไรนะปลดตัวเองออกจากตําแหน่งสมณะเนี่ยนะ ต่อไปอย่างน้อยท่านก็ยังพยายามอุเทศและปริปุชชาบางองค์เนี่ยนะก่อนที่จะทําชั่วเนี่ยท่านก็มีความรู้เยอะอนะหรือบางทีท่านก็ยังฝ่ายรู้อย่างอย่างที่เขาบอกว่าพระบางรูปเนี่ยนะพอเป็นปราชิกแล้วก็ยังเรียนทำรรมวินัยอยู่นั่นแหละยังเรียนพระไตรปิฎกยังเรียนอภิธรรมยังเรียนบาลีเนี่ยนะซึ่งซึ่งในยุคยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีท่านก็ยังขวนขวายเรียนธรรมะสอนธรรมะอะไรไปเนี่ยนะแต่ก็ว่าแต่โดยส่วนตัวจริงๆแล้วเลว นะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ใช้ชีวิตวขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมมันถึงไม่บริบรสุทธิ์โดยรอยมันก็มีดีอยู่บ้างอ่ะนะนี่เราพูดบอกดีอยู่บ้างนะเราไม่ได้ชื่นชมคนชั่วนิรีนะแต่หมายก็ว่ามันยังดีกว่าคนที่ค ร, รื่รองหัดชั่วว่างั้นเถอะแล้วเขาต่อไปก็ยังเป็นผู้มากด้วยการสดับตรับฟังเนี่นะนะเพราะอย่างว่าถ้าเขามีจัดฟังธรรมเนี่ยนะ พระพิสุทูศีนยังไงก็ต้องนั่งฟังทำอยู่ในตรงนั้นอาจจะไปเดินที่อื่นไม่ได้ยังไงก็ต้องนั่งฟังเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังเยอะอ่นะต่อไปผู้เป็นสมณะแม้ว่าศีนจะขาดเป็นคนทูศีนไปในถ้ำกลางบริษัทแล้วก็ยังรักษาอากับปะกิริยาไว้ได้รักษาความประพฤติทางกายเอาไว้ได้รักษาความประพฤติทางวาจาเอาไว้ได้อ่ น, นะก็ยังสำรวมระมัด ร, ระวังอยู่เพราะอะไรเพราะกลัวเขาว่ า, าวกลัวเขาตีเตียนอ่นะ กลัวถูกด่าเป็นต้นเนี่ยพรกก็ยังยังกว่ายังสำรวมอากับปะกิริยาอยู่ในเช่นอยู่ในถ้ำกลางสภาสภาก็คือชุมนุมชนจำนวนมากแล้วต่อไปท่านบอกว่ามีจิตบายหน้าตรงต่อความเพียรก็หมายคาอว่าท่านเองก็ยังทำกุญงามความดียังทำกุศลสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลท่านก็ยังทำเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะเลวสมบูรณ์แบบอะไรหรอกเนี่ยนะ ก็มีพระรูปหนึ่งเนี่นยนะท่านก็รู้ว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันทุศินแต่ท่านบอกว่าผมขอบาปแต่เพียงผู้เดียวให้คนอื่นอยู่สบายเพราะฉะนั้นท่านก็ยอมทุศินทุศิ น, ท, นทุกวันแล้วก็ทำงานบางอย่างแล้วให้คนอื่นอยู่สบายไอ้อย่างนี้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นก็บอกว่าก็ยังตารบทำบุญอยู่บ้างอ่ะนะก็ดีกว่าไปไ ป, ไปทำบาปซะบริสุทธิ์เลยแบบั้นต่อไปอย่างน้อยก็สมัครถึงมีความสมัญญาว่าเป็น พระภิกษุนะก็ยังเรียกว่าเป็นพระภิกษุนะก็ต่อไปขอถวายพระพรสมณะทุศีลแม้เมื่อจะ ก, กระทํากรรมชั่วก็ย่อมประพฤติอย่างปิดบงังเวลาทำชั่วก็ไม่ว่าแม้ไปทำชั่วแบบแบบเปิดเผยนะยังเอบทำชั่ว เปรียบเหมือนว่าหญิงมีสา ม, มีแล้วนี่ย่อมประพฤติชั่วช้าเฉพาะแต่ในที่ลับเท่านั้นฉันใดขอถวายพระพรสมณะทุศีลแม้เมื่อจะทํากรรมชั่วก็ย่อมประพฤติอย่างปิดบงังฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะฉะนั้นจะทําชั่วจะแอบแอบทำจะไม่ไม่เปิดเผยกับพ่ออะไรเพราะกลัวเขาติเตียนเอาใช่ไหมเพราะจะทําชั่วก็ต้องแอ บ, บทํำในที่ลับไม่ไม่กล้าทําแบบในที่เปิดเผยเป็นต้นนั่นเองสรุปว่า นี่แลมหาะพิษสมณะทูศีลก็ยังมีคุณธรรมยิ่งกว่าเครือหัาผู้ทูศีลโดยพิเศษอยู่สิประการนี่แลนนะคว่าเอาจอมโจรมาก็เอาพิกษุบางรูปที่เป็นพิสุโจรอยู่ในวัดเนี่ยนะบอกพิสุโจรก็ยังดีกว่าจอมโจรแบบทั่วไปมันนั่ไไนเะธ ทีนี้ข้อต่อไปอีกบอกว่าและภิกษุทุศีลเหล่านี้ก็ยังสามารถชําระทักษิณาทานให้หมดจดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะเหตุสิประการก็แปลว่าทําบุญกับภิกษุทูศีลก็ยังดีกว่าทําบุญกับครหอขัดทูทูศีลเลี้ยงภิกษุผิดธรรมมินายเนี่ยนะทำบุญเลี้ยงพระภิกษุผิดธรรมมินัยก็กว่าจัดอาหารต้อนรับโจรอ่างนั้นอน่ะดีกว่าเลี้ยงโจรอ่างนั้นแต่ดีกว่าเลียนนะเล้ยงโจรเนี่ยเลี้ยงมหาโจรเป็นต้นนั่นนะเพราะอะไร เพราะอะไรสองคนเนี่ยระหว่างเครือขัดทูตศีลกับภิกษุทุศีลเขาบอกว่าภิกษุทูศีลก็ยังเป็นนาบุญมากกว่าอันดับแรกเพราะอะไรเพราะชําระทักษิณาทานให้หมดจดได้แม้เพราะความที่ทรงเสื้อเกราะคือผ้ากาสาวพัดอันหาโทษไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะทำกับคนนุ่งผ้ากาสาวพัดมันก็สบายใจกว่าทําบุญกับคนที่แหมอาวุธเต็มตัวไปหมดเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นอาศัยว่าผ้ากาสาวพัตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่หาโทษไม่ได้อันนี้แหละเป็นเหตุให้บุญของผู้ที่ทำแล้วย่อมอย่างน้อยก็สบายใจะนะเพราท่านนุ่งเหลือมหงเหลืองเป็นต้นะนะข้อต่อไปภิกษุผู้ทูศสีนก็ชำระทักษิณาทานให้หมดจดได้แม้เพราะความที่เพราะอะไร เพราะได้ทรงเพศของคนโลนมีสมัญญาว่าฤศีคือเป็นพระพิสุเนี่ยนะฤศีอิสิตัวนี้หมายถึงว่าผู้สแสวงหาคุณผู้สแสวงหาศีลอย่างน้อยท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพวกที่สแสวงหาศีลหาสมาธิหาปัญญาหาอะไรนะอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เรียกว่าผู้ที่ทําบุญมาแล้วก็สบายใจใช่ไหมว่าเอออย่างน้อยท่านก็คิดว่าท่านก็คงสแสวงหาศีนหาธรรมมั่งเนี่ยนะทั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เบาใจ่นะ ต่อไปสบอกว่าชำระทักษิณาทานให้หมดจดได้แม้เพราะความที่เข้าถึงความเป็นตัวแทนสงที่เขานิมนต์อย่างน้อยที่สุดก็สง่สงส่งส่งไปแทนก็ได้ก็แล้วกันคืออย่างน้อยที่สุดส่งพระพิสุทธิ์่วไปฉันบ้านโยมก็ดีกว่าส่งเด็กวัดที่เรียกว่าอะไรนะไม่ได้บวชไปไปฉันอ่ะนะก็ส่งพิสุท์ทูตศีลก็ดีก็ส่งเด็กวัดไปกันแล้วกันอนยะ่างนั้นถามว่าส่งพิสุทธทูตศีลกับส่งเด็กวัดไปเนี่ย คนที่ทําบุญเนี่ยจะจะปลื้มออไหนมากกับกันนะพวกการจะปลื้มไหนมากกับกันนะทุสิลก็ยังดีก็ทรงเด็กวัดตาก็าแล้วกันเหมือนในข้อต่อไปบอกว่าย่อมชําระทักษิณาทานให้หมดจดได้แม้เพราะความที่อย่างน้อยพิสูจนทุศินท่านก็มีสรณะละว่างั้นมีพุทธังสระนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิท่านไปพูดอย่างอื่นไม่ได้เราไม่กล้าพูดหรอก เพราะฉะนั้นก็พูดพูดทางทำมังสังทางสรารนังกัามีก็ดีกว่าคําพูดอย่างอื่นก็แล้วกันในโลกเนี่ยนะก็ถือว่าแม่ที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านมีสรารณะก็่าดีกว่าอย่างอื่นแล้วว่างั้นต่อไปพระพิสูจน์ธูสินก็ยังชําระทักษิณาทานให้หมดจดได้แม้เพราะความเป็นผู้อาศัยในบ้านพักอาศัยคือความเพียรอย่างน้อยที่สุดท่านก็ยังอยู่ในในแวดวงของอะไรแวดวงของสมณะนะเวทวงของนักบวชแวดวงของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็แล้วกัน พอต่อไปย่อมชำระทักษิณาทานให้หมดโจทย์ได้แม้เพราะการสแสวงหาทรัพย์คือพระาศาสนาของพระชินวรพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอย่างน้อยท่านก็สแสวงหาศรัทธาท่านก็ยังมีศรัทธาอยู่บ้างะนะท่านก็ยังสแสวงหาศีลแสวงหาสมถะสแสวงหาวิปัสสนาเนี่ยนะสังเกตดูตอนที่เราไปอินเดียใช่ไหมจริงไอ้สมณะพวกนักบวชที่ทุศีลที่ไปขอทานอยู่ข้างๆเราเวกอะไรนะเรเวก ส, สังเวชนียสถานน่ยนะ อย่างน้อยเนี่ยเขาก็มาอิติปิโสด้วยใช่ไหมอิติปิโสพราะวา่าระหังสัมมาอิติปิโสจบก็ขอทานต่อเนี่ยนะเขาอิติปิโสก็อิติปิโสไปกับเขาแก้งทําเป็นนั่งสมาธิแม้สํารวมเหลือเกินเนี่ยนะเพื่อจะได้ขอทานมันก็ยังดีกว่าเป็นโจรไปลักเล็กขโมยน้อยไปยักยกตรงนั้นตรงนี้ น, นะอันนี้เราเทียบว่าดีกว่านะหมายว่าทําตัวอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไปเป็นโจรไปปล้นเขาไปอะไรเขาไปขูรีดขมเหงอะไรเป็นต้น น, นะถึงมาทำอย่างนั้น มันควาว่าอันนี้เลวน้อยกว่าอย่างนั้นแค่นั้นน่ยนะคาพูดเนี่ยแปลว่าเลวน้อยกว่าแต่ไม่ได้บอกว่าดีนะที่พูดทั้งหมดไม่ได้ชมว่าดีเลยนะเนี่ยแต่พูดว่ามันเลวน้อยกว่าเท่านั้นเอ ง, ออาาางนะงไปคนเดียวเอ <c oughs> ไปด้วยหรอก <c oughs> ไม่ไปกับหลวงพ่อบุญมีเด็ดขาดเลยนะ ทำสบายนะโยมนี่ต่อไปนะบอกว่าย่อมชําระทักคินาทานให้หมดจดได้แม้เพราะมีการแสดงธรรมที่ยอดเยี่ยมอย่างน้อยเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยเชื่อไหมท่านอนิจจาวัตสังขาราอุปทวายธรร ม, มิโนะท่านพูดได้ก็แล้วกันนะ่ะปัญหาว่าอนิจจาวัตสังขาราเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมนะ เป็นธรรมที่ประกาศโลกุตระธรรมเลยแหละเพราะฉะนั้นท่านพูดได้ขนาดนั้นก็ดีแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยก็อภิวาทนาศีลิสนิจังมุ ธ, ธาปจายิโนก็พูดเป็นอัตเป็นธรรมนะธรรมะเหล่านี้ก็ทําให้คนบรรลุได้ทั้งนั้นแหละเพราะท่านก็ยังมีการแสดงธรรม ท, ที่ยอดเยี่ยมอยู่ต่อไปย่อมชําระทักษิณาทานให้หมดจดได้แม้เพราะความที่มีพระธรรมเป็นประทีปสองคติเป็นที่ไปใน เบื้องหน้าอย่างน้อยที่สุดท่านก็ยังอยู่ในอ่ะนะคื อ, อยังอะไรยังอิติปิโสปะขวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้ะนะถึงจะเล็วยังไงก็ยังสวดมนต์เหมือนกันเถอะข้อต่อไปย่อมชำระทักษิณาทานให้หมดจดได้แม้เพราะความที่เป็นมีความเห็นตรงแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมคนทุสีนี่ยอย่าไปด่าพระพุทธเจ้าให้ฟังต่อนหน้าเด็กขาดนะพวกนี้ไม่เกรงใจนะ น, นะสมมุติว่าพระถึงองค์ไหนจะช่วยยังไงก็ตามลองไปด่าพระพุทธเจ้าให้คนนั้นฟังเลยเขาไม่ยอมนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าดีที่สุดแต่ว่าพระพุทธเจ้าดีแต่เขาไม่ดีนะก็เหมือนกับลูกเร็วๆบางคนอ่ะนะก็ยอมรับนะว่าพ่อแม่ดีดีแต่แม้มันเร็วช อ, ช, อชอบสนตัวว่างั้นนะในเรื่องเฉพาะตัวเรื่องส่วนตัวว่างั้นต่อไปย่อมชำระทักษิณาทานให้หมดจดได้แม้เพราะความที่มีการสมาทาน อุโบสถเนี่ยนะอย่างน้อยก็ให้ศีลอยมเป็นกันแล้วกันนะป้านาติปาตาพาโยมสมาทานศีนได้กันแล้วกันนะนะเพราะนั้นไอ่สมาทานอย่างน้อยมันก็เป็นบุญบ้างอ่ะนะแต่ละคำเนี่ยพูดไปสิบคาได้บุญคำหนึ่งก็ยังดีแหละเพราะนั้นก็อย่างน้อยก็ยังมีการสมาทานอุโบสถก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลขอถวายพระพรสมณนะทุศีลอย่างชําระทักษิณาทานให้หมดจดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะเหตุสิบประการเหล่านี้แหละ เพนั้นก็เวลาแบบแม้ได้ข่าว่าองค์นี้แม่ไม่ค่อยดีเลยนะก็ยังนึกถึงสูตรนี้ก็แล้วกันอ่นะนึกถึงอันนี้สงว่าเออเนี่ยทำบุญกับหนึ่งท่านก็ยังทรงผ้ากาสาวพัดละว่างันนะนะพรต้องถึงท่านอย่างน้อยท่านก็ทรงเพศผ้าอรหันทรงเพศนักบวชละว่างันสามท่านเป็นตัวแทนทรงรับกิจนิมนต์ได้นะสี่อย่างน้อยท่านเหล่านี้ก็มีพระตระนาตรายว่าเป็นสารณะห้าท่านก็ยังอยู่ในเวทวงของคนมีความเพียรมีความเพียร แล้วก็เป็นหกท่านก็สแสวงหาอริยทรัพยในพระพุทธศาสนาแล้วก็ท่านก็สามารถพูดธรรมะที่ยอดเยี่ยมได้แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะมีพระธรรมเป็นประทีปส่องคติในเบื้องหน้าต่อไปอย่างน้อยท่านก็มีทิฏฐิชุ ก, กรรมว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงนะกับมสกตาสัมมาทิฐิข้อที่10บก็ยังมีอยู่แล้วก็สุดท้ายท่านก็ยังมีการสมาทานศีลสมาทานอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะก็ยังพอมีดีอยู่ ขอถวายพระพรเป็นความจริงว่าสมณะทุศีลแม้ว่าจะแสนวิบัติแปลภาษาไทยวปาแสนเลวว่างั้นเถอะชั่วจริงๆเลยนะก็ยังชำระทักษิณาทานของทายกทั้งหลายให้หมดจดได้ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าน้ำเนี่ยนะแม้แสนจะขุ่นแล้วก็ข้นก็ยังใช้กำจัดโคลนตมเหงือ่อใครขี้ฝุ่นได้ฉันใดเอางี้เราแมโคลนตมเนี่ยปลาเคลอะเลยใช่ไห ถึงกันน้าดําปีขนาดไหนก็ยังล้างไอ้คโคลนโคลนออกไปได้แต่ก็ไม่ได้ทําให้สะอาดขึ้นอ่ะนะแต่มายเขว่ายังพอล้างไอ้พวกแบบอะไรคโคลนที่ที่ที่โคลนที่ตมอ่ะนะพูดอย่างนีก็นึกคนที่แบบแม่ละเลงเต็มตัวหมดอ่ะนะเปอะคโคลนตมเสร็จแล้วไปอาบน้ําดําๆเนี่ยนะมันก็ยังน้อยที่สุดมันก็ดีกว่าไม่ได้อาบก็แล้วกันงนั้นต่อไปอีกแต่ว่าตน้ําสมัยนี้ไม่แน่นะเดี๋ยวเชื้อรา ขอถวายพระพอรอีกอันหนึ่งนะบอกว่าสมณะทุศีนแม้จะแสนวิบัติก็ยังชำระทักษิณาทานของทายกทั้งหลายให้หมดจดได้ฉะนั้นขอถวายพระพอรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าน้าร้อนเนี่ยนะมันน้ามันจะร้อนระอุเลยวะ่ะแม้แสนจะร้อนจนเดือดก็ยังทำไฟกองใหญ่ที่กำลังลุกโผลงให้ดับได้ น้ำร้อนนี่ใช้ดับไฟได้ไหมออกได้เนี่ยนะไม่ใช่น้ำมันนะน้ำร้อนเนี่ยใช้ดับไฟได้เหมือนัน้นสมณะทุศีลแม้ว่าแสนจะ ว, วิบัติก็ยังชําระทักษิณาทานของทายกทั้งหลายให้หมดจดได้ฉะนั้นเหมือนกันคือบางทีก็เป็นน่ยนะว่าผู้ที่ศึกษาธรรมะมาระดับหนึ่งเนี่ยอุ๊ยก่อนเมื่าท่านชั่วเหลือกเกินกลายเป็นวา่าทำบุญใส่บาตรไม่ได้แล้ก็บอกว่าแทบจะไม่เคยทําบุญใส่บาตรเลยเพราะอะไรก็มีแต่องค์เลวทั้งหมดเลยเนี่ยนะ ก็บอกว่า อ, าอ้าวก็ยังเนี่ยก็มีอย่างน้อยก็มีอะไรคุณงามความดีอยู่ในตัวบ้างก็ทำไปเถอะแต่ที่สำคัญพ่อองค์ก็สอนแนะนำให้อะไรทำสังฆทานอยู่แล้วละเนี่ยนะขอถวายพระพร อ, อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าโภชนาหโภชนาหา ร, ร, าหารแม้จะหารสชาติไม่ได้ก็ยังใช้กำจัดความหิวและความอ่อนเพลียได้ฉันใดเนี่ยนะ ห ม, มายเขาว่าแหมเป็นข้าวข้าวแห้งสนิทเลยนะไม่มีรถมีชาติอะไรเลยแล้วก็แต่มันหิวจัดมานี่ก็ยังช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้ถึงไม่มีรถชาติอะไรก็ยังพอช่วยได้ฉันใดสมณะทุศีลแม้ว่าแสนวิบัติก็ยังชำระทักขีนาทานของทา ย, ยกทั้งหลายให้หมดจดได้ฉันนั้นเหมือนกันแต่ก็เมื่อเมื่อไม่นานนีทักใหญ่มาแล้วก็มีบางท่านออกมาพูดแมมพูดดังเลยนะบอกว่า เป็นสมณะทุศีลก็ดีกว่าคารวะทุ่ศีลเนี่ยนะอุตสาอ้างมาเขาอ้างมิลินทปัญหาเนะี่ยอ้างผิดอีก น, นะนะก็เลยมีข่าวคราวใหญ่โตเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วหมายความว่าในในมิลินทปัญหาเขาถามว่าบวชช่วหมายความว่าคนคนเดียวกันเนี่ยนะชั่วตอนตอนเป็นคารื้หัดก็ชั่วชั่วพอไปบวชแล้วก็ชั่วถามว่าเขาควรจะอยู่ในฐานะไหนสองคนเนี่ยนะก็บอกไอ้คนคนเดียวกันเนี่ยก็เป็นพระก็ยังดีกว่า บอกว่าในในแง่หนึ่งอะนะแต่ถ้าจากมองอีกด้านหนึ่งแต่ว่าในฐานะว่าถ้าสมณะทู้ศีจริงๆอะถ้าอยู่ในเวทวงของคนดีจริ ง, รงๆอะเขาก็กําจัดออกไปนั่นแหละเขาไม่ให้อยู่ร่วมวงหรอกนั่นนะขอถวายพระพรพระตถาคตผู้เป็นเทพยิ่งเหล่าเทพทรงพาสิทธิความข้อนี้ไว้ในทักษิณาวิพังคาพยากร์ในมัชฌิมนิกายว่า บุคคลใดเป็นผู้มีศีลมีจิตเลื่อมใสเชื่อมั่นอยู่ก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธานะมีศรัทธามีศีลให้ทานที่ได้มาโดยธรรมคยอว่าได้วัตถุทานที่ได้มาโดยสุจริตรมได้ทําบุญให้ทานเหล่าในบุคคลผู้ทุศีลทั้งหลายบุคคลนั้นย่อมได้รับผลกรรมมากมายทักษิณาทานนั้นชื่อว่าหมดจดโดยฝ่าย ทายกเนี่ยนะเพาะสำคัญว่าส ม, มณะทุศีลแล้วเราต้องไปทุศีลตามท่านไหม ก, ก็ไม่จําเป็นแต่ท่านก็เป็นนาบุญได้แล้วบุญอันนั้นก็ไม่ใช่น้อยพันเหมือนกับพระเวสสันดรนี่ให้ทานกับใครชูชกเนี่ยนะคนที่มาข อ, อการหาชาลีก็ไม่ใช่ว่าแม้คนประเสริฐคนใจดียถือว่าคนรกระหวะพระราหุลอะะะอไรน ะ, ะนะชาลีกุมาเนี่ยดูปรับเป็นมีบุรุษโทษอยู่ในตัวสิบแปดอย่างเดูไม่ได้เลยเนี่ยนะแหม เห็นแล้วร้องไห้เลยแบบนั้นเด็กเห็นร้องไห้เลยกลัวมากเลยขนาดนั้นเนี่ยนะคนทูตศีลแบบชูโชคเนี่ยมู่สาแก่หลอกได้หมดนะไปหลอกฤๅษีว่าเป็นทูตมั่งไปหลอกคนนั้นหลอกคนนี้กันหลอกไปเรื่อยอ่ะอนนออก็บอกว่าไปหลอกนายพรานเจตบุตรว่าเขาเนี่ยเป็นทูตมารับพระเวสสันดรกลับไปถึงไปเจอฤๅษีก็ไปหลอกฤๅษีว่าอะไรนะเขาเนี่ยเป็นอาจารย์ของของพระเวสสันดร คิดถึงลูกศิษย์ก็เลยจะตามมาโอวาทสั่งสอนสัหน่อยมนันนะ่ะเออปล่อยไป น, นะแต่จริง ก, ก, ก็มู้ษาเก่งมากๆเลยจนถึงขนาดแตกเลวขนาดนั้นเนี่ยนะเชื่อไหมพระพุทธเจ้าก็ให้ฐานและในที่สุดองค์ก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็สําคัญว่าท่านเป็นใครก็แล้วแต่ท่านเถอะสําคัญว่าเราสิเราชําระตัวเองได้ไหมชําระศีลของตัวเองได้ไหมแต่ถ้าหากว่า โดยทั่วไปถ้าจะให้ทานก็ควรที่จะเลือกให้นะถ้ามีเครียกว่าเราเองก็ดีผู้ที่รับก็ดีดีทั้งสองฝ่ายอันนี้มันประเสริฐอยู่แล้วละ่ะมันก็ยอดเยี่ยมอะ่ะแต่ทีนี้ถ้าหาว่าหาอย่างนั้นไม่ได้หาไม่ได้ก็อย่างน้อยชําระตัวเองให้บริสุทธิ์เนี่ยนะอย่างเวลามาพราหมณ์ก็เหมือนกันเวลามาพราหมณ์ก็ให้ทานกับคนทูตศีลซะส่วนใหญ่ก็คือในยุคสมัยที่คนไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะก็ไม่ได้มีใครสมาทานศีลอะไรเนี่ยนะ อันนั้นทานอันนั้นก็ยังให้ผลก็ยังอย่างน้อยที่สุดก็เป็นอุปนิสัยอนะอย่างอื่นที่สําคัญสําคัญยิ่งใหญ่ต่อไปขณะเดียวกันก็ยังเป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้ามิลินก็ยอมรับว่าหน้าสัจจริงพระคุนเจ้าหน้าเกษหน้าแปลกจริงพระขุนเจ้าหน้าเกษข้าพเจ้านี้ได้ถามปัญหาถึงเพียงนั้นแล้วท่านก็ได้เปิดเผยปัญหานั้นทําให้มีรสชาติอร่อยให้เป็นอมตะ ให้หน้าฟังได้ด้วยอุปมาที่จริงเรื่องแม่มันยอดแย่เลยนะเนี่ยเรื่องที่ยกมาถามเนี่ยเรื่องดีเรื่องดีเลยเนี่ยแต่ท่านก็ยังอุปมาด้วยเหตุมากมายหลายอย่างค่ะแต่พระกุณเจ้าเปรียบเหมือนว่าพ่อครัวหรือลูกมือของพ่อครัวถึงจะได้เนื้อถึงเพียงนั้นแห ม, มันได้เนื้ออย่างเลวมาเลยก็ยังปรุงอาหารได้ร่างหลายอย่าง การเนี่ยนะแล้วก็มาปรุงให้สําเร็จเป็นเครื่องสวยของพระราชาได้ธรรมดาแหมวัตถุ ด, ดิบที่ได้มาเนี่ยมันแมมมันห่วยสุดๆว่างันแต่แก็ยังมาปรุงถึงกับแบบเป็นอาหารสวยได้อะชั้นใดพระคุณเจ้าหน้ากเกษครับพระเจ้าถามปัญหาท่านถึงเพียงนั้นแลว้วท่านก็ได้เปิดเผยปัญหานั้นทําให้มีรสชาติอร่อยเป็นอมะตะให้หน้าฟังด้วยอุปมา ด้วยเหตุผลทั้งหลายมากมายฉะนั้นเหมือนกันถ้าเป็นถามแบบพระพิสูจน์ทั่วไปที่ไม่ใช่ลักษณะพระธานากะเกษตรเนี่ยนะท่านคงโกรธมากเถามอะไรเนี่ยนะเนมีประโยชน์อะไรสักคำก็ยังถามอีกก็ น, น่ารำคาญจะตายยังไงเกี่ยวกับเรื่องทักษิณาวิพังกสูตรเนี่ยนะมีมีข้อความในอัตกถาอันหนึ่งที่บอกว่าผู้มีศีลแต่ทาบุญกับคนทุศีลทากับคนทุศีลก็จริงแต่ว่าปรารภ สงในนะทำบุญโดยปรารบสงโดยนิมนต์รูปใดรูปหนึ่งมาเป็นตัวแทนสงในหน้า63บอกว่ามีในในายบ้านผู้เป็นเจ้าของวิหารคนหนึ่งนะก็เป็นเจ้าภาพสร้างวัดนะสร้างวัดสร้างวิหารเขาก็มีความคิดว่าเราจะถวายสังฆทานก็ไปยังวิหารขอร้องต่อสงว่าขอจงเลือกภิกษุแก่กระผมสักดหนึ่งรูปเถิดทําบุญสังฆทานไม่จําเป็นต้องสี่องค์เอาองค์เดียวก็ได้แต่ว่าต้องการตัวแทนจากสงในสงองคไหนามาก็ได้ พระสงฆ์ก็คัดภิกษุรูปหนึ่งไปนายบ้านได้นิ ม, มนต์ภิกษุรูปนั้นให้นั่งบนอาสนะที่ตนปูลาดไว้อย่างดีในสถานที่ที่ได้ชำระทําความสะอาดไวด้ดีแล้วเบื้องบน น, น่นก็ประดับใช้เพดานประดับด้วยดอกไม้ของหอมต่างๆอย่างวิจิตรสวยงามล้างเท้าให้เอาน้ำมันทาเท้าให้เสร็จแล้วก็ได้ถวายทายธทามของที่ควรถวายแก่ภิกษุรูปนั้นทําโดยอาการที่บุคคลทั้งหลายผู้มีความเคารพยำเกรงคุแก่สงเนี่ย ควรกระทำเหมือนกับกําลังหมายต้อนรับภาษารีบุตรเลยแหละหรือเราเหมือนครับกาลังต้อนรับพระพุทธเจ้าเลยร้อนรับเสด็จพระพุทธเจ้าเลยแหละพิกษุรูปนั้นกลับไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ทำบุญถวายทานไปเสร็จแล้วก็พระพิษุก็กลับไปในเวลาเยน็นภิกษุรูปนั้นก็กลับมาที่เรือนของนายบ้านผู้นี้อีกกล่าวว่าอาตมาขอยืมจอบหน่อยอุบาสกนายบ้านผู้นั้นในเวลานั้นนั้นนั่งอ ย, อยู่ไม่ยอมลุกขึ้นต้อนรับเนี่ยนะใช้เท้าเขียยจอบที่วาง ทิ้งไว้ใกล้ตัวให้ไปพร้อมกับกล่าวเอาไปสิเนี่ยเ น, นี่จะเท้าเขี่ยให้เลยนะเคนทั้งหลายก็พูดกับเขาว่าเออเมื่อเช้าท่านก็ทําการบูชาสการะพระพิสุรูปนี้เสียดีหนักหนาไม่อาจจะกล่าวได้เลยทีเดียวเมื่อเช้านี่แม้ต้อนรับยังกะต้อนรับเสด็จแล้วงี้นเถอะเอาจริงเอาจังมากมายแหละพอเดี๋ยนี้ แม้เพียงมารยาทก็ไม่เหลือนี่มันเกิดอะไรขึ้นอุบาสกในบ้านก็กล่าวว่าเมื่อเช้านี้เราได้ถวายทยธรรมด้วยความเคารพยำเกรงแก่พระสงฆ์แต่ว่าเวลานี้ได้ให้คนทุศีนมันยืมจอบไปเนี่ยนะนะตอนนี้ให้ไอ้พวกทุศีนมันยืมไปว่างั้นเสร็จแล้วคนทุศีนก็ชำระทักษิณาทน า, านของทายกให้หมดจดได้ เพราะทายกมีจิตหมดจดด้วยอำนาจความสำคัญว่านี้สงนี้ผู้มาในฐานะสงนี้ไม่ไม่ได้มีความคิดว่านี้คนทุศีล ม, มันก็ปรารบสงขึ้นชื่อว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยนะเขเจริญสังขารุสติแล้วก็ให้ทานทานอันนั้นก็เป็นทานที่มีผลมากมี น, นิสงมากผู้ใดจะมารับก็กรับไป